บทที่สามสิบเยือนวัดไทยงั้งออกพรรษาปี2525เ 25, จ้าอาวาสวัดป่ามะม่วงได้รับนิมนต์จากกรรมการศาสนาให้เดินทางไปกับคณะพระธรรมทูตและข้าราชการกรมการศาสนาเพื่อเข้าร่วมพิธีเฉลิมฉลองอายุครบ 1200ปีของวัดไทยนั้งเมืองสวเทาประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนจีนนับเป็นโอกาสดีที่ท่านจะได้ไปพิสูจน์สิ่งที่ต้องการพิสูจน์มานานคณะพระธรรมทูตจากประเทศไทยเดินทางโดยใช้บริการของบริษัทท่องเที่ยวซึ่งมีนักท่องเที่ยวชายหญิงร่วมเดินทางไปด้วยอีกหลายคน ออกเดินทางจากประเทศไทยโดยสายการบินไทยบินตรงไปลงที่เมืองสัวเถาพักที่โรงแรมในเมืองนั้นพิธีเฉลิมฉลองอายุครบ 1,200 ปีของวัดไทยงั้งจัดขึ้นอย่างใหญ่โตมโหาราณท่านพระครูได้มีโอกาสสนทนาปราศัยกับเจ้าอาวาสวัดไทยงั้งท่านอายุ80เศษแต่ยังดูแข็งแรงเพราะไม่เคยเจ็บไข้ได้ป่วย นับเป็นบุคคลที่โชคดีที่สุดเพราะอาโรคยะปรมาลาภาความไม่มีโรคเป็นลาภอันประเสริฐท่านเล่าให้ท่านพระครูฟังโดยผ่านล่ามว่าเมื่อประเทศจีนเปลี่ยนการปกครองมาเป็นสังคมนิยมแบบคอมมิวนิสต์รัฐบาลก็สั่งปิดวัดในพระพุทธศาสนาทั่วประเทศเพราะถือว่าทำให้ประชาชนหลงงมงาย ขัดกับระบอบการปกครองแต่วัดไทยงังเป็นวัดเดียวที่ไม่ถูกสั่งปิดทั้งนี้เพราะรัฐบาลเห็นว่ากิจกรรมของพระสงฆ์วัดไทยงังเป็นประโยชน์ต่อประชาชนกิจกรรมดังกล่าวก็คล้ายคลึงกับสิ่งที่ท่านพระครูเคยทำในอดีตเช่นการฝึกอาชีพให้กับประชาชนแต่เมื่องานด้านการสอนวิปัสสนากรรมฐานแผ่ขยายขึ้น กิจกรรมอื่นๆก็ต้องหยุดไปโดยปริยายที่วัดของหลวงพ่อมีการสวดกงเตกในงานศพไหมครับท่านถามจเจ้าอาวาสวัดไทยงังโดยผ่านล่ามจเจ้าอาวาสตอบโดยผ่านล่ามเช่นกันว่ามีเพราะเป็นประเพณีทำสืบต่อกันมาหลายชั่วอายุคนในเมืองไทยไม่มีหรือมีครับเพราะเมืองไทย มีคนจีนอพยพไปตั้งหลักตักฐานอยู่เป็นจานวนมากบรรพบุรุษของผมก็เป็นคนจีนท่านพระครูตอบบรรพบุรุษของผมที่อพยพไปอยู่ประเทศของท่านมีเหมือนกันสมัยราชวงศ์โจเป็นสมัยที่คนจีนอพยพไปอยู่เมืองไทยมากที่สุดสรุปแล้วคนไทยกับคนจีนก็เป็นพี่น้องกันนะครับหลวงพ่อ ผมกับหลวงพอ่ออาจจะเป็นญาติกันก็ได้หลวงพ่อเชื่ออย่างนั้นไหมครับเชื่อสิเพราะผมเป็นสาวกขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระพุทธองค์ตรัสกับพระสาวกว่าดูกระพิษุทั้งหลายสัตว์ผู้ไม่เคยเป็นมารดาไม่เคยเป็นบิดาไม่เคยเป็นพี่น้องชายไม่เคยเป็นพี่น้องหญิงไม่เคยเป็นบุตร ไม่เคยเป็นธิดาของเรามีช่หาได้ง่ายมิย่อมแสดงว่าคนที่เกิดในโลกนี้ล้วนเคยเกี่ยวข้องเป็นญาติพี่น้องกันมาก่อนเพราะเราต้องเวียนตายเกิดกันนับหมื่นนับแสนครับหลวงพ่อวัตจักรชีวิตนั้นหาจุดเริ่มต้นไม่ได้หาจุดสิ้นสุดก็ไม่พบสัตว์โลกย่อมเวียนตายเวียนเกิดสับเปลี่ยนหมุนเวียนกันไปด้วยอํานาจแห่งกรรม ดังที่พระพุทธองค์ตรัสว่ากรรมโมนาวัตติโลโกโสัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรมแต่พระพุทธองค์ทรงเป็นผู้ที่ตัดกรรมตัดขาดจากวัฏจักรชีวิตด้วยพระปัญญาอันยิ่งแล้วก็ยังทรงพระกรุณาตรัสสอนสัตว์โลกให้ดำเนินไปตามปฏิปทาที่พระองค์ทรงดำเนินมาแล้วเว้นพระกรุณาคุณของพระองค์เสียแล้ว ชาวโลกก็คงไม่ได้รู้จักพระพุทธศาสนาผมคิดว่าผมโชคดีที่ได้เกิดมาพบพระพุทธศาสนาหลวงพ่อคิดอย่างผมไม่ครับแน่นอนเพราะผมละลึกอยู่เสมอว่าสุขโขพุทธานามุปาโทความเกิดขึ้นของพระพุทธเจ้าทั้งหลายนำมาสึ่งความสุขถ้าเราโชคร้าย รับรองว่าไม่ได้เกิดมาพบพระพุทธศาสนาอย่างแน่นอนแต่บางครั้งผมก็รู้สึกสังเวชใจเหมือนกันที่คนบางพวกเขามองไม่เห็นคุณค่าของพระศาสนาแล้วก็ยังดำเนินชีวิตด้วยความประมาทนี่ผมหมายถึงคนในประเทศของผมนะและคนในประเทศของท่านละ่ะเป็นเหมือนกับของประเทศผมบ้างไหม ก็คงเหมือนกันหมดทุกประเทศนั่นแหละครับหลวงพ่อคนยุคนี้เขาหลงไหลผูกติดอยู่กับวัตถุไม่ค่อยสนใจเรื่องคุณงามความดีต่อไปอีกสิบ ป, ปียี่สิบ ป, ปีโลกจะเดือดร้อนวุ่นวายขึ้นเรื่อยเรื่อเพราะคนทำตามอำนาจกิเลสประเทศที่มีอำนาจก็จะรังแกประเทศที่อ่อนแอกว่า แล้วก็ผูกเวรกันไปกระทั่งลุกลามใหญ่โตกลายเป็นสงครามโลกเพราะประเทศที่แพ้สงครามก็หาพวกชวนประเทศที่แพ้โดยกันมาช่วยเขาแก้ปัญหาด้วยความรุนแรงไม่แก้ด้วยสันติภาพไม่สนใจไม่นำพาต่อคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าน่าอนาใจนะครับหลวงพ่อ อันที่จริงบรรพชิตสองรูปต่างวัยต่างเชื้อชาติหากสภาวะจิตของท่านไม่มีความแตกต่างเพราะได้อบรมกายอบรมจิตมาอย่างดีท่านเข้าใจคำสนทนาของกันและกันด้วยจิตการแปลของล่ามจึงเป็นแต่เพียงรูปแบบภายนอกเท่านั้น มันก็เป็นไปตามกฎพระตะไลลักษณ์นั่นแหละท่านผมเองก็รู้สึกอนาดใจไม่แพ้ท่านคนทุกวันนี้ถูกเผาด้วยกิเลสโดยที่พกเข้าไม่รู้ตัวและไม่ค้นควายเพื่อจะรู้จึงต้องจมอยู่ในราคัคิโทสักคิโมหัคิผมคิดว่าผมทำหน้าที่ให้ดีที่สุดในฐานะสักยะบุตร ของพระพุทธองค์ผมขอสอนวิปัสสนาให้ประชาชนเขานะแต่รูปแบบอาจแตกต่างไปจากที่ท่านสอนถาวาดจุดหมายปลายทางอันเดียวกันคือให้ผู้ปฏิบัติหลุดพ้นจากทุกข์เข้าถึงสันติสุขคนที่เข้าประมาทในเวนยศัสตร์เขาเข้าใจและเห็นประโยชน์จากการปฏิบัติ ส่วนพวกอเวนยศัตว์ผมก็ไม่ไปยุ่งกับเขาสมัยพุทธกาลพระพุทธเจ้าของเราก็ทรงสอนส่วนพวกอเวนยศัตว์ก็ต้องเวียนไหวกันต่อไปจนกว่าจะถึงเวลาของพวกเขาคนสมัยนี้เขาเป็นมิจฉาทิฐิกันมากนะท่านครับผมเห็นด้วยกับหลวงพ่อแล้วก็ตั้งข้อสังเกตว่าอะไรจริงเขาไม่เอา ไปเอาที่ไม่จริงก็เลยไม่สามารถแก้ปัญหาชีวิตได้นอกจากนี้ยังเบียดเบียนปัทุศร้ายกันทั้งที่ตัวเองก็อยู่ในวังวนเช่นเดียวกับคนอื่นๆหลวงพ่อเคยเห็นไก่ที่เขาเอาใส่เข่งเพื่อ น, นำไปขายยังตลาดไหมครับเคยเห็นพวกมันจะจิกตีกันอยู่ในเข่งทั้งที่ในไม่ช้าก็ต้องตายเหมือนๆกันนั่นแหละครับเพื่อนบรรปชิตของผม เขาก็ได้แต่งกลอนสอนใจไว้ท่านหมายถึงพระครูเอื้อนเขาแต่งไววว่าอย่างไรสมภารวัดไทยงั้งอยากรู้ว่าอย่างนี้ครับอย่าหลงจิกตีกันอวดชั้นเก่งเราอยู่เข่งลูกเดียวกันทั้งนั้นหนาถึงตรุษ จ, จีนก็ดับดิ้นสิ้นชีวาควรรีบหาทางพ้นเข่งถ้าเก่งจริง ผมว่าเขาสามารถแต่งได้เข้ากับสถานการณ์ของโลกปัจจุบันเลยทีเดียวหลวงพ่อเห็นด้วยไหมครับเห็นด้วยร้อยเปอร์เซนต์คนเดี๋ยวนี้หลงกันมากความหลงก็คือตัวโมหะเป็นตัวกิเลส ท, ที่ร้ายแรงที่สุดดังที่พระพุทธองค์ตรัสเปรียบเทียบไว้ว่าโมหะมีโทษมากทั้งคลายช้าผมว่าคนเราทุกวันนี้ ทำตัวเหมือนไก่ในเข่งเพราะพวกเขาเบียดเบียนประทุษร้ายเอารัดเอาเปรียดกันทั้งที่ตัวเองก็อยู่ในเข่งลูกเดียวกันกับคนอื่นๆครับเข่งลูกใหญ่ที่สุดเสียด้วยเข่งลูกไหนๆก็ไม่ใหญ่เท่าเข่งวัตะสงสารสมัยพุทธกาลมีผู้ออกจากเข่งได้ไม่น้อยเพราะเขามีอุดมการณ์ของชีวิตว่าเกิดมาเพื่อหาทางพ้นเข่ง แต่คนสมัยนี้เขามีอุดมการของชีวิตตรงกันข้ามกับคนสมัยพุทธกาลคือเขาคิดว่าทำอย่างไรจะอยู่ในเข่งให้ได้นานที่สุดประษาอะไรกับการจะคิดออกจากเข่งผมว่าคนสมัยนี้น่าสงสารนะครับหลวงพ่อใช่น่าสงสารมากอีกประเภทหนึ่งก็คือคิดออกจากเข่งแต่ปฏิบัติผิด เพราะไปหลงเชื่อพวกมิจชาทิฏฐิที่แอบอ้างว่าตนเป็นเกจิอาจารย์ก็เลยหาทางพ้นเข่งไม่พบที่ประเทศท่านมีแบบนี้อยู่บ้างหรือเปล่ามีครับหลวงพ่อบางคนมีความรู้ถึงระดับปริญญาเอกก็ยังไปหลงอยู่กับเรื่องผีเข้าเจ้าทรงชนกับผีตีกับพระให้ยุ่งไปหมด การศึกษาไม่ได้ช่วยพัฒนาปัญญาทางทําให้พวกเขาเลยแล้วพวกที่แอบอ้างว่าเป็นผู้วิเศษก็มีมากมายหลอกลวงโลกหวังเอาลาบโดยไม่กลัวบาปกลัวกรรมญาติโยมที่ไปกับคณะท่องเที่ยวซึ่งนั่งฟังอยู่ด้วยโยมเสียมเป็นคนจีนที่เกิดในเมืองไทยจึงรู้ทั้งภาษาไทยและภาษาจีนได้พูดขัดจังหวะขึ้นว่า ฉันก็คนหนึ่งจะาหลวงพ่อที่ชอบฟังเรื่องผีเข้าเจ้าทรงชอบมากถึงขนาดไปเฝ้าที่พระตำหนักทุกคืนแต่พอมีเรื่องก็เลิกไม่เคยไปอีกเลยหล่อนคิดว่าเจ้าอาวาสวาดัดไทยงั้งฟังไม่รู้เรื่องจึงได้อธิบายเป็นภาษาจีนกลางให้ท่านฟังอยากจะอวดล่ามว่าหล่อนก็พูดจีนกลางได้ โยมไปมีเรื่องอะไรหรือสมพานวัยแปดสิบเศษถามด้วยภาษาจีนกลางหล่อนตอบด้วยภาษาเดียวกันซึ่งแปลเป็นภาษาไทยได้ว่าฉันไปชี้หน้าด่าคนทรงจะหลวงพ่อไปด่าเขาทําไมท่านพระครูถามเป็นภาษาไทยคนเป็นล่ามเห็นท่านฟังภาษาจีนรู้เรื่องจึงหยุดแปลไปโดยปริยายโยมเสียมจึงตอบเป็นภาษาไทยว่า เพราะเขาลืมตัวเห่อเหิมอาหางการมาว่าพระพุทธเจ้าเขาบอกว่าอย่าไปเชื่อพระพุทธเจ้าให้เชื่อตัวเขาเท่านั้นหนูก็ด่าซะเป็นชุดเลยหล่นเปรียกจากชั้นมาเป็นหนูชุดใหญ่หรือชุดเล็กท่านพระครูถามอย่างนึกสนุกชุดใหญ่จ้าหลวงพ่อและหนูก็รู้ตัวเดี๋ยวนี้คือมันเกิด ปัญญานะจ๊ะเกิดปัญญารู้ว่าตัวเองถูกหลอกมานานคือคนทรงเป็นผู้หญิงอายุประมาณห้าสิบอ้างว่าเป็นร่างทรงของสมเด็จพระปิยะมหาราชหนูก็ศรัทธาเลื่อมใสเพราะหนูคารพเทิดทูนสมเด็จพระปิยะมหาราชมานานจึงไปเฝ้าที่พระตำหนักแทบทุกคืนพระตำหนักที่ว่าอยู่พุทธมณฑลใช่ไหม โยมผู้ชายที่เป็นนักท่องเที่ยวถามเขาเองก็เคยไปตำหนักแห่งนั้นแต่ภายหลังรู้ว่าเป็นการหลอกลวงจึงไม่ได้ไปอีกใช่จ้ะคุณรู้จักหรือพอดีบ้านผมอยู่แถวนั้นเขาเลี่ยงต่อไปอีกทางนั่นแหละจ้ะฉันไปหลงเขาอยู่ร่วมสิบปีถ้าเขาไม่ละลาบละล้วงจ่วงจาาพระพุทธเจ้า ฉันก็คงยังนับถือเขาอยู่แม้พูดออกมาได้ว่าอย่าไปเชื่อพระพุทธเจ้าพอฉันฟังปุ๊บก็เกิดปัญญาปั๊บว่าแานี่หลอกลวงเพราะถ้าเสด็จพ่อปิยมหาราชมาเข้าทรงจรงิงพระองค์ก็ต้องไม่ตรัสอย่างนี้เพราะพระองค์ทรงเคารพพระพุทธเจ้าและศรัทธาเลื่อมใสในพระพุทธศาสนาทรงอุปถัมภ์ให้มีการแปลพระไตรปิฎกเป็นภาษาไทย และเมื่อชาวต่างประเทศแปลพระไตรปิฎกเป็นภาษาอังกฤษก็พระราชทานพระชาชทัพย์ไปช่วยค่าพิมพ์แล้วอย่างนี้พระองค์จะไม่ทรงนับถือพระพุทธเจ้าได้อย่างไรนั่นสินอกจากพระราชทานพระชทัพย์ส่วนพระองค์แล้วยังทรงเปิดโอกาสให้ประชาชนคนไทยได้บริจาคปจัจจัยรวมบำเพ็ญกุศลในครั้งนั้นด้วยคนเฒ่าคนแก่ เขาเล่าแห้อัตมาฟังท่านพระครูช่วยเสริมเพราะท่านมีประสบการณ์ตรงเกี่ยวกับพระมหากรรษัตริย์พระองค์นี้และรู้ว่าพระองค์ทรงมีคุณปรปการต่อประเทศชาติและปวงชนชาวไทยมากแม้จะเสด็จสวรรคตไปนานถึง72ปีแล้วปวงชนชาวไทยก็ยังระลึกถึงพระองค์ด้วยความจงรักภักดีตลอดมาเจ้าวอาวาสวัดไทยงัง ฟังรู้เรื่องจึงพูดขึ้นว่าคนทรงบาปมากนะตัวเองเป็นวิชาทิฏฐิแล้วยังทำให้คนอื่นเป็นตามเรียกว่าตกนรกคนเดียวไม่พอยังทำให้คนอื่นตกตามไปด้วยมีความเห็นผิดเนี่ยตกนรกเลยณนะท่านพระครูท่านพูดภาษาจีนกลางแต่สมภารวัดป่ามะม่วงก็ฟังรู้เรื่องเพราะกำหนด ฟังหนอครับพระพุทธองค์ทรงเตือนเกี่ยวกับเรื่องนี้ไว้แต่บางคนเขาก็ไม่นำพาเวลาผมสอนญาติโยมผมเน้นเรื่องนี้มากนะครับหลวงพ่อผมก็เหมือนกันคนเราถ้ามีความเห็นผิดนำหน้าเสียแล้วก็เดินทางผิดตลอดสายเหมือนคนทรงที่โยมเล่ามาการส้างสัมมาทิฏฐิเป็นสิ่งสำคัญมาก เงียบกันไปครู่หนึ่งแล้วสมภารวัดไทยงังก็ถามสมภารวัดป่ามะม่วงว่าท่านพรักครูสอนกรรมาฐานมานานแล้วหรือครับสอนมาตั้งแต่ปี2495สมัยนั้นผมอยู่วัดพรหมบรุรีซึ่งเป็นวัดที่ผมบวชอยู่พอดีปี2499่อก็มารับตำแหน่งรักษาการเจ้าอาวาส แต่ก็ไปไปมามาระหว่างวัดพรมบุรีกับวัดป่ามะม่วงพอปี2500ก็ได้รับแต่งตั้งเป็นเจ้าอาวาสจึงย้ายมาอยู่วัดป่ามะม่วงแล้วก็ใช้เวลาหนึ่งปีในการพัฒนาวัดเพราะเป็นวัดเก่าแก่มาตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาพอปี2501ก็เปิดสอนกรมฐานที่วัดป่ามะม่วง แล้วก็ดำเนินกิจกรรมนี้มาจนถึงปัจจุบันรวมเวลาที่สอนกรรมฐานถ้านับตั้งแต่สมัยที่อยู่วัดพรหมบุรีก็สามสิบปีแล้วครับขออนุโมทนานี่แหละคือหน้าที่ของพระสงฆ์การทำให้เป็นมิจฉาทิฏฐิบาปมากเพียงไรการสร้างคนให้เป็นสัมมาทิฏฐิก็บุญมากเพียงนั้น จะอาวาดวัดไทยง้างกล่าวอนุโมทนาครับผมเองก็ยอมรับว่าเป็นมิจฉาทิฏฐิมาก่อนคือตอนที่ยังไม่ได้บวชนะครับผมไม่เชื่อแม้กระทั่งว่าพระพุทธเจ้ามีจริงโดยเฉพาะเรื่องพระเวสสันดรผมไม่เชื่อเลยเคยบอกกับโยมยายว่าเรื่องพระเวสสันดรโกหกตอนบวชใหม่ๆก็ยังเชื่อนะครับหลวงพ่อ และผมก็ไม่ได้บวช ด, ด้วยศรัทธาแต่บวชเพราะโยมพ่อโยมแม่อยากให้บวชผมเกลียดพระมากแต่ขอประธานโทษนะครับหลวงพ่อโบราณถันสอนไม่ว่าเกลียดขี้ได้ขี้ผมเกลียดพระก็เลยต้องมาเป็นพระอยากศึกตั้งแต่พรรษาแรกแต่ก็มีเหตุการณ์แปลกแปลเกิดขึ้นจนทำให้ไม่ได้ศึก ก่อนนับว่าโชคดีที่การบวชทาให้ผมเปลี่ยนมาเป็นสัมมาทิฏฐิได้มีฉะนั้นเห็นจะต้องตกนรกอย่างแน่นอนเดี๋ยวนี้ผมเชื่อหมดแล้วเรื่องพระเวทสันดรผมก็เชื่อแล้วก็เคยเห็นมักการีผลมาแล้วเห็นที่ไหนเล่าให้ผมฟังได้หรือเปล่าได้ครับแต่ว่าเรื่องมันยาวผมขอยกไปเล่าวันพรุ่งนี้นะครับ เพราะยังมีเวลาอยู่ที่นี่อีกหนึ่งคืนกับหนึ่งวันดีๆผมจะรอฟังอยากรู้เรื่องมานานแล้วเจ้าอววาดวัดไทยง้างพูดอย่างยินดีบรรดาผู้ที่นั่งฟังมีทักณะท่องเที่ยวจัดเมืองไทย ซึ่งส่วนใหญ่เป็นคนไทยเชื้อสายจีนทั้งลูกศิษย์ลูกหาของเจ้าอาวาสวัดไทยงางซึ่งมีทั้งชายและหญิงที่เป็นหญิงนั้นมีทั้งสูงอายุและยังสาวส่วนพวกผู้ชายมีแต่คนสูงอายุพวกผู้หญิงเห็นท่านพระครูก็เกิดความเลื่อมใสจึงพากันเข้ามากราบท่านพระครูรู้ว่าจะมาพบลูกหลานในอดีตชาติจึงเตรียมของฝากมามากมาย ท่านให้ในสมชายกับในขุนทองไปซื้อเครื่องประดับที่ผู้หญิงนิยมกันและท่านก็รู้ว่าสตรีจีนมีรสนิยมแบบไหนขาดเหลืออะไรที่หายยากในเมืองจีนท่านก็จัดการสั่งในสมชายกับในขุนทองซื้อมาจากสำเพงของฝ่ากของท่านจึงมีถึงสองลังใหญ่ท่านให้โยมเสียมเป็นผู้ช่วยแจกจ่ายผลปรากฏออกมาว่า ของฝากที่ถูกใจสาวจีนมากที่สุดคือโรมวนผมลงพ่อน่าจะซื้อเสื้อยกทรงมาฝากพวกเราบ้างสาวนางหนึ่งพูดขึ้นแม้จะเป็นภาษาจีนหากท่านพระครูก็ฟังรู้เรื่องเพราะท่านมีสติและสมาธี่ตลอดเวลาของการสนทนาจะเอามาทําไมล่ะท่านถามผ่านล่าม เพราะพวกสาวๆฟังภาษาไทยไม่รู้เรื่องเอามาใส่สิคะพวกเราไม่มีเสื้อยกทรงใส่ต้องใช้ผ้าแถบรัดหน้าอกไว้หน้าอกเลยแบนไม่แหลมเหมือนสาวไทยที่เขาใส่ยกทรงหล่อนอธิบายอ๋อเสื้อที่เป็นกระบอกนะรึหลวงพ่อว่าไม่ดีหรอกจะทำให้เป็นมาเรงใช้ผ้ารัดอย่างที่พวกหนูทำานะ่ะดีแล้ว จะได้ไม่เป็นมะเร็งท่านตอบตามหลักวิทยาศาสตร์แล้วพูดกับสมภารวัดไทยง้างว่าหลวงพ่อเชื่อไหมครับว่าในอนาคตผู้หญิงไทยจะเป็นมะเร็งเต่านมกันมากเพราะเอากระบอกมาใส่มันไว้ทำให้อากาศระบายไม่สะดวกแล้วกระบอกนั้นก็ทำจากใ ย, ยสังเคราะห์ใส่ไป น, น, นานๆจะทำให้เกิดก้อนเนื้อขึ้นที่เต่านม แล้วก็จะกลายเป็นมะเร็งผมจะสอนลูกศิษย์ที่เป็นผู้หญิงว่าไม่ให้ใช้กระบอกถ้าจะตัดเสื้อยกทรงก็ไม่ต้องใส่ฟองน้ําซึ่งผมเรียกว่ากระบอกให้ใช้ผ้าเฉยเฉยจะป้องกันมะเร็งเต่านมได้ใครไม่เชื่อถ้าเป็นมะเร็งเต่านมมาให้ช่วยรักษาผมบอกจะไม่รักษาให้เขาชอบเอาอย่างพวกฝรัง เมืองฝรั่งเขาใช้กระบอกได้เพราะเมืองเขาอากาศหนาวแต่เมืองไทยอากาศร้อนผู้หญิงไทยสมัยก่อนเขาไม่ค่อยเป็นมาเรงเต่านมเพราะเขาใช้ผ้ารัดเอาไว้เหมือนผู้หญิงจีนเรื่องเล็กๆน้อยๆ อ, อย่างเนี้ยบางครั้งก็ต้องเอาใจใส่นะครับเพราะมันอาจจะทำให้ถึงแก่ชีวิตได้ท่านพระครูพูดถูก และผมก็นึกถึงคำสอนของพระพุทธเจ้าที่ว่าผู้หญิงมีทุกมากกว่าผู้ชายอย่างเรื่องมาเลงเต่านมที่พวกผู้ชายไม่เป็นไม่เป็นแน่และผู้ชายก็ไม่ต้องออกลูกอีกด้วยเห็นข่าว่าการออกลูกเนี่ยเป็นความทุกข์อันยิ่งใหญ่ของผู้หญิงเลยนะครับบุรุษอายุประมาณห0สิบพูดขึ้นเขาเป็นคนจีนที่มีความรู้ระดับปริญญาเอก จบจากมหาวิทยาลัยออกซฟอร์ดประเทศอังกฤษพูดได้เจ็ดภาษาเขาพูดกับท่านพระครูโดยใช้ภาษาไทยสมภานวัดป่ามะม่วงรู้สึกถูกชะตากับเขาเป็นพิเศษและเพียงกำหนดเห็นหนอท่านก็รู้ภูมิหลังของเขาทุกอย่างทุกประการด็อกเตอร์พูดถูกอาตมาเคยทำคลอดให้พี่สาวตอนอาตมาอายุ สิบหกได้เห็นความทุกข์ของผู้หญิงในครั้งนั้นทำให้อัตมาไม่คิดจะแต่งงานเลยต้องมาบวชเป็นพระท่านพูดยิ้มยิ้มดรผิง์เองก็รู้สึกเลื่อมใสในพระไทยตรงหน้าเขาพูดกับท่านว่าหลวงพ่อทราบไหมครับว่าชีพจรของคนเนี่ยสามารถบอกอดีตบอกอนาคตของเขาได้ อย่างผมจับชีพจรหลวงพ่อผมสามารถบอกอดีตบอกอนาคตหลวงพ่อได้หลวงพ่อจะอนุญาตให้ผมทดลองไหมครับเขาถามท่านพระครูไม่จําเป็นต้องทดสอบก็รู้ว่าเขาทำได้จริงท่านจึงพูดกับเขาว่าถ้าอาตมาจะขอเรียนวิชาจากด็อกเตอร์จะได้หรือเปล่าหรือจะแลกวิชากันก็ได้อาตมามีวิชา ทำลมหายใจให้เป็นตัวนังสือได้จะขอแลกเปลี่ยนกับวิชาจับฉีดพจรของดอกเตอร์พอจะแลกได้หรือเปล่าผมยินดีครับแต่ว่าวันนี้ดึกแล้วและหลวงพ่อก็เดินทางมาไกลนิมนต์พักผ่อนก่อนดีกว่าพรุ่งนี้ค่อยเริ่มเรียนกันเขาหาทางออกด้วยไม่ต้องการให้คนอื่นเรียนผมเห็นด้วยว่า ท่านพระครูควรพักผ่อนพรุ่งนี้จะได้มีแรงเล่าเรื่องมั ก, กระีผลให้ผมฟังสมภารวัดไทยง้างเห็นด้วยท่านพระครูและคณะจิงลาเจ้าภาพและกลับไปยังโรงแรมที่พัก